บทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายทำคือสังคาที่เศษส7บสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือ9สิกขาบทแรกต้องอบัตในขณะที่ล่วงละเมิดทีเดียว8สิกขาบทหลังต้องอบัตเมื่อสวดสมนุภาพครบสามครั้งภิกษุณีต้องอบัตข้อใดข้อหนึ่งแล้วต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่าย ภิกษุณีผู้ประพฤติมานัดแล้วถูกสงเรียกเข้าหมู่ในสีมาที่มีภิกษุณีสงยี่สรูปถ้าภิกษุณีสงมีคณะ20รูปขาดไปแม้เพียงหนึ่งรูปเรียกภิกษุณีนั้นเข้าหมู่ภิกษุณีนั้นไม่เป็นอันสง์เรียกเข้าหมู่และภิกษุณีเหล่านั้นควรถูกกำนิมนี้เป็นการทำที่สมควรในกรรมนั้นข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือสังฆาทิเศษสิบสิกขาบทเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือแม่เจ้าทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วในธรรมคือสังขารทิเศษส7สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิง่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สังขาริเศษสเจสิกขาบทจบ สังขาที่เศษกันในภิกขุนีวิพังจบ